ท่านชุยจือซึ่งเป็นขุนนางลายราชวงศ์หมิงในปลายรัชสมัยพระเจ้าเซี่ยวจงฮ่องเต้ราวปีพุทธศักราช 2,31 0ถึง 2,48 ท่านกล่าวไว้ว่าการช่วยเหลือนั้นไม่ควรคำนึงว่าจะได้บุญได้คุณสักเพียงไรขอให้ช่วยให้ใดทันท่วงทีจึงจะควรช่างเป็นคำพูดที่เปี่ยมเมตตาการุณเสียงนี่กระไร